ขอบรรดาท่านทั้งหลายตั้งใจฟังคำแนะนำแต่ว่าวันนี้อาจจะใช้เวลามากกว่านิดหนึ่งบิงทีจะเต็มห น, หน้าของคัดเศษเพราะว่ามีข้าโบทใหม่เข้ามาด้วย <c oughs> เป็นนั้นว่าการเจริญพระกรรมาฐานทุกแบบ ขอทุกท่านจงตั้งใจทำตนให้เข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้าี่ื่อยาสักแต่ว่าการปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่สุดสมณ น, นที่บทในพระพุทธศาสนายาสักแต่ว่าบทหรือว่าท้าวสักแต่ว่าบทในกรหมานที่ว่าเราเอาเงินมาซื้อนรกกัน โดยพ่ อ, อย่างยิ่งกิสุสมาเนย ใ, ใหม่หรือเก่าเก่าก็ไม่แน่นะักก่อนที่จะฉันอาหารขอให้พิจารณาเป็นอาหารีรา ป, ารปฏิคูรสัญญาเสก่อนข้อนี้สำคัญมากเพราะว่าถ้าไม่พิจารณาเป็นอาหารีปฏิคูรสัญญาตกนรกแน่ คำว่าการที่จรนาเป็นอาหารไปดีควรสัญญานี้ก็หมายถึงว่าเวลาที่เราจะฉันอาหารจงอย่าคิดถึงรสอาหารเป็นเรื่องสำคัญยาติดในรสอาหารอยาติดในสีอยาติดในกลิ่นแล้วก็การฉันอาหารก็จงอย่าคิดว่าเราจะกินเพระความอุวนปีบป่องใส เราจะกินผิวพันดีเป็นปัจจัยเกิดกิเลสจงพิจรารณาว่าการฉันอหายคราวนี้เราจะฉันเพื่อทรงชีวิตอยู่เท่านั้นต่นการชีวิตที่ทรงอยู่นี่เราจะทรงอยู่เพื่อปฏิบัติความดีความดีที่เราจะเพืนปฏิบัตินั่นก็คือศีลบริสุทธิ์สมาธิตั้งมัน มีโฆษณาย า, ายแจ่มใสรันได้บอกแอลนี่ตามพระเพียบเดี๋ยวจับสิก ว, นนกวันเนียดีฮแล้วเดี๋ยวมาเดืดสิกวันเนี้เป็นนรื่งว่าการฉันอาหารนี่ยายาที่ลดเป็นสำคัญนะที่สูงใหม่ระวังให้ดี ก่อนเจ๊ฉันยังคิดว่าอาหารทุกอย่างที่เป็นเคื่องตนดีเป็นเนื้อใสตันดีมีพื้นฐานมาจากความสกปรกแล้ว่าร่างกายเราต้องร่างกายก็เป็นพื้นฐานของความสกปรกเนื่อเมื่อเรากินของสกปรกเข้าไปร่างกายของเราก็สบปรกรวมความว่าร่างกายของเราคนดีร่างกายเขาคนอืกก่นคนดีเต็มไปด้วยความสกปรก ไม่จะขอเสีาดอันนี้การพิจรารณาอาหารปฏิปุจปัญาเนี่เป็นพื้นฐานของพระอ น, นาคามีแต่ดัง ว, ว่าพระทุกองเนนทุโอมถ้าไม่พิจารณากริา น, านเข้าไปตกในรกลกนแน่นก็รวมความว่าอย่าลืมเวลาชันอาหารและรายการอีสองเวลาที่จะเดินไปเดินมาและเดินเปบาตรแค่เดินนี่ฟังสํารวม ไอ้ทอดสายตาชั่วแอกหนึ่งหมายความวัดจากท่าเราไปไประมาณสี่ศอกมันจะเห็นคนดีคือเห็นไกลฟอสมควรไกลฟอสมควรไม่เดียวหน้านเลี้ยวซ้ายแหลกขวาและก็เวลารับเกิดมีนาบาทให้รับวยความเคารพในการสำรวมอย่าถิอเพื่อตราดที่ใส้ระ ว, ระวอรามาใช้ ถ้ายัางละนี่สายฆคาวัดไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ก็สิกไปเสียนี <c oughs> ่เชนั้นก็จะลงนรกไปเพราะว่าเป็นการทำลายพระศาสนาได้รลยการอีกประการหนึ่งที่สุดใหม่ที่เข้ามาใหม่เพิ่งทราบว่าที่วัดนี้ก็ห้ามเขา้าเข้าไปคุยห้องของคนอืน่นนะดูระเบียบกระรูกันแล้วอย่าฝ่าฝืน ถ้าเราคิดว่าบวชทนไม่ไหวก็สิไปอยาไม่อยู่ให้มันหนักพระศาสนาเป็นนั้นว่าการบวชเราบวชเพื่อศีลสมาธิปัญญาไม่ใช่บวชเพื่อตามประเพณีนิยมที่นี่ไม่ต้องการคนที่บวชตามประเพณีนิยมเพราะการบวชตามประเพณีนิยมนี้เป็นการบวชเพื่อทําลายพระศาสนา ฉนั้นถ้าจะช่วก็ใไปช่วยในฐานะเป็นครววัเยาว้าชกาสาวาทของพระเจ้าไปช่วด้วยต่อไปก็ขอทุกท่านความจริงพระที่เป็นเจ้าของที่นนี้ก็ควรจะฝึกและธรรมฐานาให้ได้กับเหมือนย่าคนอืน่นคนอื่นที่เข้ามาในคําดีบางทีเข้ามาวันเดียวเขาก็ฝึกได้มนโนยุติ ซึ่งเป็นกรรมฐานที่มีความสําคัญก็าโบส ท, ที่นี่กรู้เราว่าเป็นสนักกรรมฐานแต่ถ้าเราเป็นเจ้าของบ้านให้บสถอยู่ตังสองสามเดือนไม่ได้แต่ชาวบ้านก็ามาวันเดียวได้ก็ลองเปรียบเทียบความดีกับความชั่วของจิตของเราดูว่าเรามันดีหรือว่าเรามันชัว่วนี่ขอทุกอง จึงคิดว่าการบวชเข้ามาในพุทธศาสนาเราต้องการศีลบริสุทธิ์สมาธิตั้งมัน่นวิปัสสนาญาณแจ่มใสนี่เป็นหลักกายพอนักการบวชทั้งหมดนักการบวชทั้งหมดถ้าขาดบิต้องอย่างใดอย่างหนึ่งมันหมายถึงว่าไบายภรมเป็นที่ไปทีนี้ต่อไปก็จะขอพูดถึงแนวการปฏิบัติ แล้วท่านผู้เก่าวโ้ดีผู้ใหม่โูดีการที่ปฏิบัติาธรรมฐานนี้มันมีอุปสรรคคำเ ม, ม่ออุปสรรคก็หมายความว่าถ้าจิตเราไม่เข้าสีชานจิตเป็นกระยาก้าเข้าสู่ความเป็นชานนิวรมจยรกคลบางทีสิ่งที่เราไม่คิดมันก็คิดขึ้นมา ตอนนี้เมื่อจิตเข้งเราเข้าถึงสู่สังชาละเอียดสมว่าทุกท่านได้คิดได้มโนยิธิทุกท่านที่ได้มโนยิธินี่เขาถือว่าเป็นชาละเอียดชาที่พึงได้คือการเคลื่อนไปก็คือชาสีชาสีมีสองระดับประยาบ ก, กับละเอียดถ้าละเอียด ห ม, มายความว่การเคลื่อนไปมีการคล่องตัวดีวันนั้นเป็นฌานสี่ละเอียดถ้าวันไหนมันฝืดวันนั้นก็เป็นฌานสี่หยาบถ้าว่าวันไหนไปไม่ได้เลยก็แสดงว่าวันนั้นจิตเข้าไม่ถึงฌานสี่ <c oughs> ถ้าว่าวันไหนจิตเข้าไม่ถึงฌานสี่ <c oughs> ก็มีวิธีแก้มันไปไม่ได้เราก็ไม่ไป เราไม่ไปเราทำยังไงล้วก็นั่งพิจารณาตัดกันห้าตามอารมณ์ที่เรามีความเข้าใจคือคร่องในอารมณ์ไหนก็ตัดแต่อารมณ์นั้นถ้าตัดกันห้าไปไมีไว้ก็จับลมให้ใจเข้าออกแล้วก็พาวนาไปเฉยๆทำจิตสุสขสบา ย, บายี่วได้เท่าไรเอาเท่านั้น แค่ว่าถ้าทําอย่างนี้ดีไม่ดีปรเดี๋ยวก็ไปอันนี้เป็นการแก่นะ <c oughs> แก้อารมณ์ที่เราเข้าถึงเรียวว่าเราใช้มโนยิทธิได้คล่องตัวแต่บางวันมันเกิดไม่คล่องขึ้นมาแต่การไม่คล่องเกิดขึ้นทางทางที่ดีก็ควรจะพิจารณาว่าตั้งแต่เช้าถึงตอนที่เราจะทํา มันมีอารมณ์ตอนไหนบ้างที่ขัดต่อคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้ารู้ว่าเราไม่ขัดก็หาทางตัดด้วยการพิจารณาตายกันห้าเอ้ถ้าทางที่ดีถ้าวันไหนมันไม่คล่องถ้าวันไหนคล่องดีก็เริ่มปับจิตก็เคลื่อนทุกทันทีนี่ก็ป่อยวัะ น, นั้นเป็นวันชานละเอียดดีเรื่องศีลดีทั้งสมาธิดีทั้งปัญญา แต่บางวันจับคารมันตื้อคารมันตื้อารมาก็ปล่อยอารมณ์ทั้งหมดถ้าจิตจิตมันพยายามคิดจะใช้วิปัสสนายายคือตัดขันห้าก็ตัดขันห้าถ้าจิตมันไม่พอใจในการตัดขันห้าก็ใช้กำหนดรู้ลมให้ใจเขาออกแล้วก็ภาวนาเฉยๆโดยที่ไม่คิดถึงอะไรทั้งหมด หมายความให้รักษาอารมณ์ธรรมดาธรรมดาไม่คิดอย่างไรทุกอย่างนี่จุดหนึ่งนะนี่จุดหนึ่งที่มันเป็นจุดที่แปลกที่สุดเพราะว่าทั้งผมทั้งคนอื่นก็โดนมาแล้วทั้งนั้นนั่นก็คือไอ้วิง้าตัวแบบนั้นที่เข้าเข้าอาอกก็ออกไปนี่มันแรงเข้า คือว่ามันมีอารมณ์อัหนึ่งคือแปนอารมณ์ของกิเลสอันนี้ทุกท่านอาจจะเ อ, อ่อทุกท่านอาจจะโดนหรืวบางท่านจะไม่โดนนะมันมีอารมณ์เบื่อพิเศษคือว่าอารมณ์เบื่อพิเศษเนี่ยบางทีเราภาวนาภาวนาไปพิจารณาไป ใ, ใจสบายด่าบางครั้งมันนึกจะดา่าพระพุทธเจ้าเสียก็อมี อยากจะคิดทำลายพระวินัยเสียพวกนีถ้ารงอย่างนี้เกิดขึ้นนะจะต้องทราบว่าจิตของท่านตอนนั้นกําลังจะตัดกิเลสละเอียดถ้าจิตไม่ไดตัดกิเลสละเอียดเขาเรียกกันว่ากิเลสสมานมันจะเข้ามาสิงจิตตอนนี้ไอ้ที่จิตมันที่มีอารมณ์คิดอย่างนั้นมันมีกิเลสสมาน มันก็จะมีความมัวไปในบางขณะแล้วก็ในบางขณะที่เรามีความจ่าใสขึ้นแล้วก็มานั่งโปรงใจว่านี่เราจะค้ายกิเลสมารทรายยังไงเราสายกตนขึ้นจากน้ำเราเป็นครรว่ามันก็มีพุ่มแม้วก็มน้ำไม้สดที่แช่อยู่ในน้ำด้วยที่แช่ในเปือตกตมด้วยคือกิเลส เวลานี้เราเป็นพระก็เหมือนกับไม้สดที่ยกขึ้นมาจะเปลือนตมในกอน้ํ า, าอามาวางไว้บนบกมันรอเวลาที่จะแห้งไปทีละน้อยๆเท่านั้นอันนี้เราก็รมธรรมตาตัดสินใจว่ากิเลสวิเวทีมันมีสําหรับเราแล้วก็มีสําหรับคนอื่นด้วยตัวอย่างในพระพุทธศาสนาก็มีสานุสมณี เ, เป็นตัวอย่าง อาุสมณ์ในที่มีสภาพแบบนี้หมดในสมัยพระเจ้าก็อยากจะกสิ้นสิ้นในทีสุดมารดาของท่านทึ่เป็นนางฟ้าในอดีตมันดาในอดีตก็มาเตือนเกิดความรู้สึกทั้งกับใจเสนใหมไปขึ้นชีวความต้องการในการมาชันทก็ดีในโลภความโลภคนดีได้ความโกรธคนดีได้ความหลงคนดี มันเป็นของเลวไม่ดีสำหรับเราเจ้านั้นบางดาของเรามาเตือนซึ่งเป็นทรวดาทีงยกย่องสรเสริญว่าการบวชเป็นของดีเราก็จะขอพระพฤทธปฏิบัติในภูมิจันทร์ต่อไปโดยไม่มีความอะไรในทุกเสียงทุกอย่างภายนอกทั้งหมดเป็นร่างกายของคนอง่นคนดีว่าถูกท่าคนดีไม่เปืองกัชนา ไม่แต่ร่างกายตัวเองก็ดีก็ไม่ต้องการในที่สุดท่านก็เป็นพระรอรหันต์ในช่วง อ, งอายุจิปีเท่านั้นเพราะว่าไม่กี่วันท่านก็เป็นอราหันต์นี่ขบันดาทานังหลายที่เมื่อเอิญมีกำลังใจสูงและก็ถูกกิเลสประเภทนี้รบกวนจนทราบว่านั่นเรากำลังจะตัดกิเลสตัวละเอียด ต่ว่ากิเลสมันไม่เข้ามาเสีง ใ, ใจเราทําไม่เราเกิดความท้อถอยอย่างสานุสมณเลนอยากจะสิกแต่ในสุดไม่สิกตัดสินใจว่าชีวิตเกิดมาเพื่อตายเราเป็นพระเป็นเลนเราก็ตายเราเป็นคราว่าเราก็ตายแต่ว่าถ้าตายอย่างพระอย่างเลนเป็นผู้ทรงศีลทรงสมาธิทรงวิปัจจนาญาน เราอย่างน้อยเราเป็ น, ปนวนได้ก็ได้เป็น่งคนได้แต่ไม่ใชะไั้นก็ไปนิพพานที่ขอมันดาท่าหนหลายที่อาจจะทบกกำลังใจแบบนี้ก็บางอย่างคุณอรุณไพศรลิที่จะมาบทนทีก9นี้ก็เคยโดนอาการแบบนี้มาเหมือ น, นกันผมก็โดนมาแต่ว่าไม่มีใครเขาบอกก็ต้องต่อสู้ด้วยตนเองพวกคุณก็รู้สึกว่ามีกำไร ตอนนี้ไปก็ขอพูดกันทั่วทั่วไปว่าทุกท่านถ้าหากว่าตั้งใจคิดว่าให้กำลังใจมันอารมณ์แจ่มใสเป็นปกติอยู่เสมอยงคิดไว้เสมอว่าชีวิตเราเกิดมาเพื่อตายแล้วความตายไม่มีนิมิตไม่มีเครื่องหมายมันอาจจะตายใน่เวลานี้เดี๋ยวนี้ก็ได้ ความตายถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาของร่างกายคือกันหน้าถ้ามันจะตายก็เฉยแต่การตายของเราเราจะไม่ตายแบบคนโง่เราจะตายแบบคนฉลาดนั่นก็คือหนึ่งเราจะขอยึดคุณความพระพุทธเจ้าคุณความธรรมคุณเขาก็อริยสงฆ์ไป็นชนะเป็นที่สุด ตามนี้เราพูดวา่าพุทธังสรนังกะชามิธรรมังสรนังกะชามิสังฆังสรนังกะชามิทำไมเจ้าขอทิ้งเราพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งทำไมเจ้าขอถิ้งเราทำเป็นที่พึ่งทำไมเจ้าขอถิ้งเราสงเป็นที่พึ่งนี่เรียกว่าเราพูดถิงศาสนาคมเมื่อทิ้งศาสนาคมแล้วย่อมเป็นปัจจัยเกิดในสวรรค์ได้นี่เหมนกับ มามัตยคุณดลีที่ประมุิไม่ได้ทำความดีอะไรเลยเป็นแค่นึกถึงความดีของพระเจา้าก็ทำเป็ะสงเป็นอารมณ์ก็ไปสปรวรรค์ได้แต่ยังดีไม่พอถ้าแย่ดีพอต้องตัดอบัยวูปูนซะเลยไม่ยอมลงนรกเป็นเปรต่ ป, ป, ป, ป็สุรกายเป็นสติฉันนั่นก็หมายความว่าเราจะเป็นพระโสดาบัน อรมของพระสวนดาบัญก็กล้าฟินิ่คือเราเป็นคนมีศีลบริสุทธิ์เป็นพระนูสิขาบทเสครบท่วนนันวะวกวาตยาสัตวะบวรหรือว่าฟังมีในทุกวันฟังแล้วก็ตั้งใจจำตั้งใจไปคือปฏิบัติโดยการอีสองทรงกำลังใจไวเพียงแค่ประมชานเป็นอย่างต่าง คำว่าปทุมชายก็คือมีรมทรงตัวอยู่ในด้านของกุศล น, นอจาจะนั้นเราก็มีศีลบริสุทธิ์จิตรักปนิพานเว็นอารมณ์แค่นี้เป็ประโสดาบันจำกันไว้ดีนะว่าเราปฏิบัติเพื่อความเป็นพระเรียเจ้าอย่างน้อยที่สุดเราจะเป็นประสงดาบันให้ได้ เมืโสดาบันมีอะไรอันดับแรกที่เราคิดว่าเราจะตายเนะี่ยเราจะไม่ยอมลงใบายภูกคือจะอเคาเรพในพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์จะมีศีลบริสุทธิ์จะมีผลิพานเป็นอารมณ์คําว่ามีผลิพานเป็นอารมณ์ก็หมายความที่เราทําความดีทุกอย่างเราทําเพื่อผลิพานอันนี้เป็นปัจจัยของโสดาบัน เรีว่าเป็นลีลาของโสดาปันความจริงอารมณ์ใจของทุกคนถ่าตั้งอยู่ระดับเป็นงแค่โสดาปันความมุ่นวมายของจิตมันไม่มีเพรารนหนึ่งจิตคิดว่าเราจะต้องตายไปกฎธรรมดาสองถ้าจะตายเ ร, ร, ษษรจาจะยึดคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมกาบอริยสงฆ์ยึดศีลเป็นสรณะที่เปืน มีพระนิพนานเป็นที่ไปแล้วจิตก็วางโล ก, กประทำแปดรายการเสียไม่เมาในหลาบไม่เสียใจเมื่อหลับหลายไปไม่เมาในยศในเสียใจเมื่อยศสลายตัวไปไม่เมาในสุขไม่เกิดความทุกข์มาทุกข์ุกใจเมืม่าทุกข์ไมนเกิดขึ้นไม่หวั่นไหวในคำนินทา และก็ไม่ยินดีในการส่งเสริญเรืร่องความว่าอะไรจะมาทั้งเหนือทางใต้ก็ตามถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาดูตัวอย่างองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้จาพระพุทธเจ้าตอนที่บำเพ็ญบารมีก็โดนกลั่นแกล้งจากวิวทัฒน์ในอินทรียการมีชาติหนึ่งที่ท่านถือคันติบารมี คันติบาร ม, มีนี่เราฟางอดใจอดทนเทวทัตเป็นพระราชามิจชาทิฐิเราพุทธเจ้าเป็นฤสีใครคนไม่ถามว่าฤาษีมีอะไรดีท่านฤาษีก็บอกว่าฉันมีดีคือขันติคือความอดทนแกก็ให้จับฤาษีนอนลงปักขาทั้งซ้ายข้างหนึ่งขาดไป ถา ม, out, มว่าโกรธไหมเรือศีก็บอกไม่โกรธตัดขวางข้างข้างข้างข้างซ้าข้างขาขวาม่ข้ามขาดไปถามว่าโกรธไหมเรือศรีก็บอกไม่โกรธตัดแขนซ้ายถามว่าโกรธไหมไม่โกรธตัดแขนขวาถามว่าโกรธไหมไม่โกรธคนดีสุดเรือศีคนความโกรธเลยไหวก็ตาย นี่เป็นว่าพระพุทธเจา้าตอนมาเป็นบารมีหนักมากแต่ตอนมาเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ยิ่งหนักใหญ่ไปที่ไหนถูกดาที่นั่นไปถูกไหนถูกว่าที่นั่นผู้แ ก, กลกล้งที่นั่นพระพุทธเจ้า ก, ก็ทรงเฉยอันนี้ที่ผู้อย่างนี้ก็าคิดว่าไอ้เราเนี่ยถ้าบาังเอิญไปกระทบกระทั่งอารมณ์ที่ไม่ถูกใจเขา เราก็ถืว่านี่เป็นเรื่องธรรมดาต้องการมีกันห้าคือคมมร่างกายจิตใจเราจะดีขนาดไหนก็ตามคนเอื่ก็อาจจะไม่เห็นว่าเราดีก็ช่างเขาเทเพรอยากจะ ด, าาดา่าก็ด่าก็อยากจะว่าก็าว่าก็าอยากจะนิ้นทายก็ินทาก็ปล่อยเขาทาใจเป็นสุขคิดมั่นใจในความดีว่าเวลานี้เราทรงความเป็ น, นโลโสดาบัน ใครจะว่ายังไงยังไงเราก็เป็นปันโสดาบันปัโสดาบันเป็นยังไงหนึ่งเราไม่ลิงความตายให้คนเย็นด่าเราทนดาไม่นานแก้วสมาชา่าเราตายเร า, เราก็ไม่ได้ยินกรนี้สุดเราก็ยังมีพุทธธรรมเราสงบนิพน่์เรามีศีลบริสุทธิ์เรามีพนิพพานในอารมณ์อุ้มใจในความดีในความเป็นพระอริยเจ้าของเรา ไอ้จิตมันมีความใน็นสุจิตมีอารมณ์ชมชืมช้นอย่าลืมว่าถ้าจิตเขาถึงความเป็นปารียาเจา้าการที่ตัวทีต่ตนหวืเราที่เขาไม่มีเพื่อนไม่ได้ว่าถ้าเขาชั่วเราไม่ช่วตามเท่านั้นนี่เป็นล์ใจนะเรคิดว่าบรรดาท่านที่ปฏิบัติทางหลายเพื่อคนเก่าอาจจะทรงได้ดีแล้ว ตอนนี้ไปก็ขอนแนะนําวิธีปฏิบัติสําหรับบรรดาท่านคนบริษัทใหม่เรีกว่าใหม่พระเจ้าของตาบลขอเตือนอีกครั้งนะว่าอย่าปล่อยให้ของดีที่เรามีอยู่ที่วัดของเราให้คนอื่นเขาไปนี่เข้าไปเป็นเกือบหมื่นคนแล้วนะเพียงแค่ชั่วเดือนธันวาคมเนะี่ยเจ้าของตําบลนะอย่าอย่าเรียกว่ า, อ ย, าอย่าทําให้ อย่าเสียทีเขารับสายกำลังใจส บ, สบายๆวิธีปฏิบัติทำยังไงพยายามฝึกใจกาหนดรู้ลมให้ใจเขาออกภาวนาวันละมาพาทะเวลาให้ใจเขา้านิ่วันละมะเวลาให้ใจออก้ียว่าพาะทะอันนี้ทั้งเก่าทั้งใหม่ก็จะทม ละเวลาที่ภาวนานทําใจสมสวายบางครั้งแต่หากว่าท่านหลายที่ได้แล้วอยากจะไปให้มันเร็วก็ได้ไปช้าก็ได้ช้าจะไปเร็วก็รวบรวมกำลังใจทันทีโดยไม่สนใจไม่แต่เราไม่ใจก็ออกจิตจากจดุดแล้วพุ่งเขาไปสู่นิพพานสาหรับท่านผู้ปฏิบัติใหม่ พยายามนึกถึงลมหาใจก็ออกกับคําาวนานะ่เพราะว่าอยาาสั่ามสมาธิเนี่ยจำไม่ดีในเรื่อการตั้งใจเท่านั้นเองอย่าเปนึกว่าสมาธิทําไปแล้วมันจะต้องไม่ได้ยินอะไรทั้งหมดไม่ใเ่อย่างนั้นไอ้ไม่ได้ไม่ได้อะไรทั้งหมดเนี่ยมันเป็นฌานเสียละเอียด แต่ว่าการฝึกมโนยิทธิแบบนี้ได้ยินทั้งหมดเพราการฝึกแบบพิเศษฉะนั้นขอทุกท่านตั้งใจภาวนาวันะมะพัทะเวลาให้ใจเข้านึกว่านะมะเวลาให้ใจออกเนื้อว่าพาาัทละเวลาที่กำนหนดรู้เราไมใจทำใจส บ, สบายๆอย่าให้มหนักหน่วงเกินไป กาหนดโน้นลงไม่ใจเขาออกพร้อมในคําภาวนาแบบเป็นสุขคือว่าอยากกดอารมณ์ให้มเีเครียดถ้าเครียดถ้าเกรงเกินไปมันก็ไม่มีผลเป็นอัตตะในมรรคานิยโยถ้าเวลาภาวนาเป็นนึกอยากจะเห็นโน่นนึกอยากจะเห็นหนี่นึกอยากจะไปโน่นนึกอยากจะไปนี่มันก็ไม่ได้เป็นการมาสุขานิการนิโยต้องมาใช้มชัจจิมาปฏิบทา คือทำแบบสบายๆรู้ลมเข้ารู้ลมออกทาจิตให้เป็นสุขอันนี้ถ้าถึงเวลาที่ครูผู้สอนเข้าไปแนะนำตอนนั้นขบนันดาท่านพุทธบริษัททุกท่านให้หยุดภาวนาเสียหยุดกำหนดรู้ลมหาใจเขาออกคือไม่สนใจกับลมหายใจเขาออกด้วยไม่สนใจกับคำภาวนาด้วยทำอารมณ์สบาย ฟังเสียงครูผู้สอนแนะนําถ้าหามว่าครูผู้สอนถามไม่เห็นอะไรไหมให้ใช่อารมณ์เดิมอารมณ์แรกเป็นสาคัญไอ้คำํำว่าเห็นนี่ยมันเป็นความรู้สึกก็ราะว่าคําว่ามโนยิทธิเนี่ยแปลว่ามีาทิศทางใจคือเราไม่ได้ใช่ตาดูเราใช้จิตรู้ที่ว่าเขาถามไม่เห็นว่าพระพุทธเจา้าไหมอารมณ์จิตมันบ้าเห็นก็ตอบมาเห็น ที่เขาถามถาาว่าเห็นพระพุทธเจ้าสีอะไรไปเห็นไข่สีอะไรความรู้สึกมันบอกว่ายัางไงตอบทันทีคนข้างข้างเราก็เห็นว่าเหลืองแต่พวกเราบอกขาวก็ก็ตอบขาวแยกไปเหลืองต่างเขาเพราะว่าเริ่มต้นเข้าจุดตอนนี้เป็นเรื่องของที่ปิจุบจุ ย, ยานมรลมสัมผัดพอคือคให้ตัดกันห้าเน้นถึงว่ามีพระพุทธเจ้าช่วยจิตในกําลังพุ่งจิตก็ไปสู่พระจุลาวรนีเจดียสถาน ตอนนี้ถ้าขึ้นจนถึงจรรุฬามณีพึงสาบวาจิตตรงนี้เป็นจิตของฌานสีและท่ า, ารกกประกอบประการตัดขั้นห้าในเด็ดขาดจิตใจพระมรณฑะเป็นพระธรรมดีสจะมีความรู้สึกสังบอากัาศชัดเจนแจ่มใสแล้วต่อไปนี้ไปพระมัณฑะเป็พนพระธรรมดีสดเป็นลายท่านมิสุสมณี น, นุบาสกขุบาสิกา สร้างกายให้ตรงจำรนดจิตให้มัน่นกำหนดรู้ลให้ใจเข้าได้ออกใช้คำพาวนาและพิจารณาตามบทิยาไสสำหรับผู้ใหม่ยินเสียงกรีก๊ดจะต้องลืนตานะเป็นวาระที่ครูแนะนำนะครับไปแนะนำท่านอัพเองปฏิบัติได้